คือแสดงว่าถ้าหากว่าพระาธาตุทั้งหลายเนี่ยถ้ายังประดิษฐานอยู่ตาม8ดเมืองอย่างที่กล่าวมาแล้วเช่นเมืองอะไรบ้าง น, นะเมือง8ดเมืองที่ที่กล่าวไปแล้วเนี่ยนะเมืองเช่นถ้าไปอยู่ในเมืองภัยาลีอยู่ในเมืองกบิลพัทยอยู่ในเมืองอลกป ะ, ปะอยู่ที่เมืองรามคามเมืองเวททีปกะเมืองปาวาหรืออยู่ที่เมืองกุสินาราก็ทำพระาธาตุทั้งหลายถ้ายังอยู่อีกเจแคว้นนั้นอะ่ะไม่ปลอดภัยแน่นอนต่อ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 ถ้าหากว่าคนที่มากไปด้วยอธทินนาธานเนี่ยนะเป็นใหญ่เป็นโตเมื่อไหร่อะไรจะเกิดขึ้นถ้าคนที่มากไปด้วยกาเมสุมิชาจานมีอำนาจขึ้นอะไรจะเกิดขึ้นพันสรุปว่าคนบาปถ้ามีอำนาจแล้วก็โอ้อันตรายมหาสาลชั้นใดก็ดีพระมหากษัตริยท่านเห็นแล้วว่าคนต่อไปคนไม่มีศรัทธาเนี่ยนะก็จะก็จะเริ่มมีอานาจมากขึ้นมีบทบาทมากขึ้นหนักๆเข้าพระทาตอันตรายแน่อนอนนะ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 ขอพระคุณเจ้าโปรดนำพระบรมธาตุมาเถิดเดี๋ยวโยมจะเก็บให้เองพระเระนั้นเว้นเพียงแต่เพียงที่ราชตรกูล น, นั้นก็ปกปิดเอาไว้ปกปิดสถานที่บรรจุพระบรมธาตุที่เหลือแล้วก็นำมาคือแสดงว่าพระถือเนื่องจากว่าพระมหากรสปะเป็นผู้มีฤทธิ์ น, นะนะนั่นจะอัญเชิญพระธาตุมาก็ไม่ได้เป็นภาระยากอะไรแล้วก็นามา เหลือพระาธาตุที่ในที่เมืองนาคที่รามคามที่นาคดูแลเนี่ยอันนั้นเอาไว้เถอะเพราะอะไรเพราะอันตรายไม่มีแน่นอนเพราะพระาธาตุพญานาคก็ดูแลดีเยี่ยมเพราะฉะนั้นาธาตุไม่อันตรานไม่ไม่อันตรายต่อ น, นั้นไปในอนาคตทั้งหลายคนก็จะเก็บไว้ในพระมหาเจดีย์ในมหาวิหารลังกาทวีปเสร็จแล้วก็ไม่นำพระบรมาธาตุเหล่านั้นมา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 ครั้งที่แล้วลุงเรืองกําลังไปโกนผมอยู่เนี่ยนะพอลุงเรืองนั่งโกนผมไปเนี่ยนะครับพระกไปโกนผมให้เสร็จแล้วก็นั่งคุยกับหลวงพ่อหลวงพ่อก็มีการพูดคุยกันว่าที่เก็บพระาธาตุเนี่ยอยู่ที่ไหนบ่าที่เก็บพระาธาตุเนี่ยในบริเวณเมืองราชครึกเนี่ยอยู่ที่ไหนเขก็คุยกันสถานที่ตรงนั้นเข้ามาจําชื่อไม่ได้อ่าท่าน พระจพากฏพระรูปหนึ่งก็บอกว่ายังไม่เคยพาไปเลยอย่างั้นมีโอกาสน่าจะได้ไปแต่ว่าเป็นสำนักของกลุ่มคนาศาสนาไม่ใช่ของเราเป็นสถานที่บรรจุพระธาตุที่เราจะพูดถึงตรงนี้ซึ่งสถานที่ตรงนั้นมีอยู่มีอยู่จริงเนี่ยนะตอนนี้แต่เป็นเป็นสถานที่ของาศาสนาอื่นเขาครอบครองอยู่พื้นที่บริเวณตรงนั้นเนี่ยนะเขาเนื่องจากว่าไปเห็นสั ญ, ญลักษณ์บางอย่างก็เลยยกให้ฮินดูไปแต่จริงๆแล้วเป็นของ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 การครอบครองดูแลของศาสนาอื่นในสถานที่นะตัวสถานที่แต่องค์พระาธาตุเนี่ยก็คือเนี่ยอยู่ที่ไหนบ้างอยู่ตามภูเขาทองอยู่ตามเจดีย์เนี่ยทั่วโลกอ่ะนะตอนนี้พระาธาตุก็กระจายไปหมดแล้วเพราะขุดเอามาออกมาจากตรงนั้นแล้วแต่พื้นที่ตำแหน่งเนี่ยตอนนี้คนละศาสนาก็ดูแลอยู่ทีนี้สถานที่ตรงนั้นเนี่ยนะอยู่ในทิศทิศตะวันตกออกเฉียงใต้อะนะของกรุงราชครึก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 เป็นขุดผิดที่ทั่วๆไปเนี่ยน้ําพุ่งกระฉูดเลยแหละถ้าขุดลึกขนาดนี้นะเน่ยแล้วก็เสร็จแล้วพอก่ออิฐเสร็จให้ปูเครื่องลาดโลหะไว้ภายใต้แล้วปูแผ่นเหล็กเอาไว้เลยเนี่ยปูแผ่นเหล็กโลหะแล้วก็สร้างพระอบที่ทําด้วยไม้จันท์เหลืองเป็นต้นแล้วก็ทําพระสถูปไว้อย่างละ8ดอย่างละ8ครั้งนั้นพระราชาสายพระบรมธาตุของพระผู้มีพระภาคเจ้าเอาไว้ในพระอบจันทเหลืองก่อน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 ก่อนที่ที่ทตอนตอนพระธาตุที่เมืองจีนเนี่ยพักอะไรนะนิ้วข้อพระหัตอ่ะก็ก็กบนจุในลักษณะเดียวกันนะก็มีการทําเป็ น, ซ, นซ้อนเนี่ยนะใครอยากดูก็ดูเอาละกันว่าเขาทําซ้อนอย่างไรเสร็จแล้วเอาจันทร์เหลืองนี่ลงในสถูปงาอา่ะใช่ขออภยัยใส่สถูปจะสถูปหรือว่าเจดีจันท์เหลืองเนี่ยซ้อนเข้าไปในสถูปจันทร์แดง8ชั้นแล้วก็เอาจากจันทร์แดง ใส่ไปในพรออบอะไรพรออบงาใสอ่ออกนะอันดับแรกใช้ในจันเหลืองออกจากจันเหลืองใช้ในจันแดงออกจากจันแดงเป็นพรออบงาออกจากพรออบงาก็เป็นรัตนะล้นล้วนอีกแปดชั้นออกจากรัตนะเป็นอะไรเป็นพรอบ อ, พรอบทองคำจากพรออบทองคำเป็นพรออบเงินจากพระอบเงินเป็น ผอบแก้วมันีจากผอบแก้วมันีเป็นผอบทับทิมออกจากทับทิมก็เป็นแก้วหลายออกจากแก้วลายก็เป็นแก้วพลึกแล้วก็แก้วพลึกเนี่ยก็แก้วพลึกก็คือพวกเนี่ยกระจกแบบเราเนี่ยแก้วผลึกเนี่ยนะพวกเนี่ยแก้วแก้วมันตกพลึกขึ้นมานะพวกกระจกที่เราใช้ใช้กันอยู่เรียกว่าแก้วพลึกทั้งหลายก็หนาเข้าอีกแปดชั้นอันนิรภัยนะกันระเบิดได้นะตอนนี้ถ้าบรรจุพระธาตุนะก็ต้องมีกระจกนิรภัยนะกันระเบิดได้นะ แต่การขโมยขโมยกระจกอันนั้นไม่ได้ น, นะเพราะคนเอามาตั้งไงเพราะคนพ่อขโมยกระจกอันนั้นได้แต่กระจกกันระเบิดได้พระเจดีแก้วผลึกเนี่ยนะแล้วก็ก่อยอดมียอดก่อนแล้วก็เอาเป็นประมาณแห่งเจดีท่านบอกว่าเหมือนอะไรดูถูปารามเอแล้วกันถูปารามนะถูปารามก็คื อ, อที่ที่ทิป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 เกลียดดอกไม้บนบกดอกไม้ในน้ำเนี่ยวางไว้เป็นพันดอกสร้างเรื่องขึ้นมาเป็นสร้างชาดก550ชาดกหรืชาดอกประวัติเกี่ยวกับพระอสีติมหาสาวกเขาเรียกว่าจิตกรรมฝาผนังทั้งหลายก็ทาขึ้นเรื่องราวเกี่ยวกับพระเจ้าสุโธธนะพนางมหามายาสหชาติของทั้งเจของพระองค์ทุกอย่างก็มีการตกแต่งด้วยรูปทองคำทั้งหมดให้ตั้งหม้อน้าที่เต็มด้วยทองและเงินเนี่ย้ายหม้อ หม้อน้ำธรรมดาเนี่ยหม้อน้ำเนี่ยเป็นหม้อน้ําแล้วก็เอาเงินเอาทองใส่ประมาณ500หม้อให้ยกทงทองอีก500รธงประทีปทอง500อประทีปประทีปเงิน500อประทีปใส่ผ้าเปลือกไม้ไว้ในประทีปเหล่านั้นแล้วก็บรรจุน้ามันหอมครั้งนั้นท่านพระหมหากัะสปะอธิฐานว่าขอพวงมาลายัยอย่าเหี่ยวมีกลินกล่นหอมกลิ่นหอมก็อย่าหายไปประทีปอย่าไหม้แล้วก็ให้จารึกอักษรไว้ที่แผ่นทอง ว่าแม้ในอนาคตการครั้งราชกุมาร น, นามว่าอาโศกเฉลิงถวันราชสมบัติเป็นพระเจ้าอาโศกมหาราชเท้าเชิจั ก, กรธรรมพระธาตุเหล่านี้ให้แพร่หลายพระองค์เนี่ยจะเป็นผู้มีอำนาจที่สุดคืออินเดียสมัยพุทธกาลเนี่ยไม่มีเอกภาพมีแคว้นใหญ่ๆอยู่6 16แคว้นเนี่ยนะแล้วก็16แคว้นเหล่านี้เนี่ยอย่างเช่นแคว้นอังคมคธเนี่ย มีก็ขึ้นตรงต่อเมืองราชครึแคว้นวัดชีขึ้นตรงต่อเมืองภัยาลีแคว้นอุชเชนีก็ขึ้นตรงต่อเมืองโกสัมพีแคว้นโกศลก็ขึ้นตรงต่อเมืองสาวัตถีแคว้นพาราณสีเนี่ยนะแคว้นกาสีก็ขึ้นตรงต่อแคว้น โ, โกศลแล้วก็อีกหลายแคว้นคืออาณาจักรมันยังกระจัด ก, กระจายอยู่ก็ถือว่ามีหลายประเทศมากในสมัยนั้นไม่ได้เป็นเอกภาพเหมือนพสมัยพระเจ้าอสศกแผ่นดินที่ใหญ่ที่สุดในอินเดียนี่คือสมัยพระเจ้าอศกครอบคลุมเนื้อที่มากที่สุด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 ให้ถือเอาแก้วมณีแท่งนี้กระทำสักการะพระบรมธาตุเธอพระราชาผู้ยากใครเรียกว่าพระราชาคนยากเอาแก้วนี้บูชานะยังไงนะใคาเรียกของฝากจากพระเจ้าชาติศัตรูเอาไว้ให้พระเจ้าโกศลไอ้พระเจ้าอาโศกเนี่ยนะช า, าโศกเนี่ยแหมง่ายเลยนะปัญหาว่าเราจนมาแต่ก็จริงนะตอนท้ายจริงๆแล้วท่านเหลือมะขามป้อมลูกเดียวคือเนื่องจากว่าท่านทําบุญมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยนะไอ้พวก